Book 2สองูสมาชิกครอบครัวสปูตาสตยา่ายายบสตมู เขาและเธอฮันและฮุนพ่อฟานแม่มูนเขาและเธอฮันและฮุนลูกชายเซนนลูกสาว ดั t เตอร์น์เขาและเธอเขาและเธอเขาและเธอ ลุงอาณาลุงคลินป้าอาณาท่านต้นเขาและเธอฮันแลฮุนเราเป็นครอบครัวเดียวกันวีอาร์เอ็นแฟมิลยครอบครัวที่ไม่เล็ก familjen är i k k e liten. ครอบครัวใหญ่ f a m i l i e n är stor.